ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายุปริชาตสวรรค์จะเพิ่มเติมเรื่องปริชาตในสวรรค์ชั้นนี้คำนี้ได้เฉลยแปลมาบ้างว่าต้นทองหลังทิ่ ตามคําว่าโกวิราณในอภิธานนปปฐีปิกาได้ให้คําแปลคําว่าโกวิลานไว้ว่าไม้ทรึกไม้ทองก้าวไม้ทองหลางในอดีตนิทานของพระอินทเล่าไว้ว่าเมื่อพระอินท์เป็นมคะมามนบปลูกต้นโกวิลานเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นทานเป็นเหตุให้เกิดต้นปาริชาตในสวรรค์ในอภิธานนปปฐีปิกาให้คําแปลของคําว่าโกวิลาร ะ, ป ร, ะปริชาตกะปริชาตกะ ทั้งสามคำนี้ไว้อย่างเดียวกันว่าปาริชาติหรือต้อนไม้สวรรค์ท่านไม่ได้ให้คําแปลว่าทองหลังเหมือนคําว่าโกวิราตนในเมืองมนุษย์แต่จะตรงกับต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์หรือมีต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกันเป็นเรื่องที่ผู้ต้องการจะรู้พึงค้นคว้าต่อไปท่านผู้ทรงเมตตาได้แจ้งมาว่าท่าได้สนใจคําว่าปาริชาติที่อ่านพบในหนังสือต่างๆเช่นเรื่องกาแมนิศ เรื่องเวสันดรดอกของต้นไม้นี้มีส่วนสำคัญมากคนหาที่ไหนๆก็ไม่ทราบว่าตรงกับดอกไม้อะไรในเมืองไทยทราบแต่ว่ากรีบสีขาวก้านสีแดงมีกลิ่นหอมจับใจทำให้ระลึกชาติได้และบานร่วงลงจากกิ่งในเวลาพรบค่ำทีละดอกสองดอกเร่อยๆไปต่อมาได้ไปในงานพุทธยะชยันตีที่อินเดียเมื่อพุทธศักราช2499 ได้ไปชมถ้ำอาชันตาได้พบต้นกัิกาย่อมย่อมต้นหนึ่งที่เชิงเขาที่จะขึ้นไปยังถ้ำอาชันตาก็ เ, าเกิดนึกอยากทราบว่าแขกเขาจะเรียกว่าอะไรเพราะกําลังสนุกที่ได้ทราบชื่อของสิ่งต่างๆทางโน้นที่เหมือนกับของเราหรืออีกนายหนึ่งจะว่าที่ของเราเหมือนกับของเขาจะถูกกว่าจึงได้นําใบกัิกานั้นมาช่อหนึ่งถามชื่อจากท่านศาสตราจารย์ผู้นําชมถ้ำท่านตอบทันทีว่า ปริชาติต่อมาวันหนึ่งได้มีการเลี้ยงทูปอินเดียที่วังแห่งหนึ่งในเมืองไทยนี้ใ ก, กล้ๆสาลาที่เลี้ยงนั้นมีต้นกนัิกาปลูกอยู่กําลังมีดอกบานหล่นอยู่เกลื่อนไปแขกที่ได้เห็นก็พากันชมจึงได้ถามสุภาพสตรีผู้หนึ่งว่าดอกไม้นี้เรียกปริชาติใช่หรือไม่เขาตอบว่าเรียกว่ากัญชาและไม่เคยทราบเรื่องชื่อปริชาติเลยแต่จะเป็นในขณะนั้นเองหรือต่อมาภายหลังจําไม่ได้เสียแล้ว มีปราชาวอินเดียอีกคนหนึ่งอธิบายตอบคำถามนั้นที่ได้ถามเขาอีกว่าตามที่เขาเรียกกันนั้นก็ถูกต้องทั้งสองชื่อคือดอกไม้นี้ชาวอินเดียบางภาคเรียกปริชาติบางภาคเรียกกันนิกาคําอธิบายนี้พอเข้าใจตามได้เพราะเคยทราบมาว่าประเทศอินเดียมีภาษาพูด ก, กันต่างๆหลายอย่างจนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทั้งที่ไม่อยากจะใช้เลย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 จึงเป็นกิจการที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ในสมัยหลังจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวพิจารณาดูถึงสมัยปัจจุบันสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีตเช่นวัดพระศรีรัตนศาจราารามพระอุโบสถวัดเบญจมบพิษสําเร็จขึ้นได้ก็ด้วยราชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระอินทร์คือเป็นจอมของนรชนในประเทศสิ่งที่เป็นของหลวงสร้างขึ้นทําขึ้นดีวิเศษกว่าสามัญทั่วไป จึงไม่พ้นพระอินทร์ไม่ใช่พระอินทร์เมืองฟ้าก็ต้องอาศัยพระอินทร์ในมนุษย์ช่วยกิจการที่สําคัญสิ่งที่ดีวิเศษต่างๆจึงสําเร็จมีขึ้นนี้เป็นเขาเงื่อนที่น่าคิดว่าฉนัยในตำนานเก่าๆจึงเล่าถึงพระอินทร์ลงมาช่วยในเมื่อจะทําสิ่งที่สําคัญอยู่เสมอพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงและสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ตามภูมิศาสตร์โลก ระบบเขาพระสุเมรุก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เองเพราะเขาพระสุเมรุก็เป็นแกนกลางของโลกสวรรค์ชั้นดาวดิมตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุก็ตั้งอยู่ยอดกลางของโลกส่วนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาตั้งอยู่บนยอดเขาสตตะบริพันธ์สีทิศก็ตั้งอยู่รองต่ำลงมารอบเขาพระสุเมรุนั้นทั้งสองชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้เท่ากับเป็นชาวโลกนี้ด้วยกันการไปมาหาสู่กัน จึงน่าจะสะดวกกว่าสวรรค์ชั้นอื่นจึงปรากฏว่าเทพของสวรรค์สองชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอตามคัมภีร์โบราณที่มีกติความเชื่อในทางเดียวกันและนานๆจึงจะมีมนุษย์ขึ้นไปถึงคราวหนึ่งแต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวในนิทานชาดกจะได้เล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดิง่งจากคัมภีร์ชั้นบาลีอีกสักตอนหนึ่งก่อนที่จะได้สรุปเรื่องเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่อไปในสตตกกนิบาศ ได้แสดงเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีความสังเขตว่าในสมัยที่ต้นโกวิลาละอันชื่อว่าปริชัตตกะผลัดใบและออกไปใหม่เจ็ดวาระพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันดีใจเมื่อวาระที่หนึ่งก็พากันหวังให้ถึงวาระที่สองที่สามเรื่อยไปจนถึงวาระที่เจ็ซึ่งมีดอกบานสะพรัง่งก็พากันเรินสนุกที่โคนต้นโกวิลาระทิพตลอดเวลาสี่เดือนในตอนนี้ แสดงอนุภาพของต้นโกวิลารัทิภิในขนาดที่มีดอกบานสะพรั่งว่ามีลักมีสว่างกินเนื้อที่50โยดโดยรอบและมีกลิ่นหอมโชยไปตามลมถึงร้อยโยดต่อไปก็แสดงเปรียบกับอริยะสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ออกบวดรวมเจ็วาระคือวาระที่หนึ่งในสมัยที่ต้นโกวิลารัทิภิมีใบเหลืองหล่นจากต้นก็เหมือนอย่างสมัยที่พระอริยาสาวกคิดจะออกบวชวาระที่สอง ในสมัยที่โกวิลลัตทิปโกรนจะออกใบใหม่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปร่งผมและหนวดนุ่งห่มผ้า ย, ยอมท้องฝาดออกจากเรือนบูชเป็นอนาคาริยะคือผู้ไม่มีเรือนวาระที่สในสมัยที่ต้นโกวิลลัตทิปปริใบและดอกขึ้นพร้อมกันก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ปฐมฌานวาระที่สในสมัยที่ต้นโกวิลลัตทิปปริใบและดอกขึ้น เห็นเป็นรูปใบใหม่ดอกใหม่คือเหมือนอย่างที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยชานวารคที่หในสมัยที่ต้นโกวิลลัทธิบมีดอกตูมคือเหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ตัตยชานวารคที่6ในสมัยที่ต้นโกวิลลัทธิบมีดอกแก่ปริงจะบานแต่ยังไม่บานก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิจนได้จตุทะยาน วารธที่เจ็ดในสมัยที่ต้นโกวิลารทิบมีดอกบานเต็มที่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกได้สําเร็จวิมุตติหลุดพ้นจากอสวกิเลตทั้งหมดอีกต้นหนึ่งเล่าถึงเทวสุรสงครามเทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันมีความสังเขตว่าเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามเป็นศึกประชิดระหว่างเทพกับอสุรในสงครามครั้งนั้นอสุรชนะเทพแพ้ล่าถอยขึ้นไป ทางทีศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งนครดาวดึงผู้อสุระก็ลุกประชิดขึ้นไปพวกเทพเห็นอสุระรุกก็หันกลับไปต่อสู้ก็แพ้อีกรุกและรับกันอยู่ดังนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สเทพถอยเข้าเทวนครก็รู้สึกอุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยอสุรทำอะไรไม่ได้แล้วพวกอสุระก็คิดว่าพวกเทพเข้าไปสู่ที่ที่ซึ่งพูกตนทาอะไรไม่ได้แล้ว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 เมืองทั้งสองจึงชื่อว่าอยุชราบุรีคืออยุธยาแปลว่าเมืองที่ข้าศึกรบไม่ชนะแม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก้องต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยจากกิเลสเช่นเดียวกันคือเมื่อได้สมาธิจนถึงรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สที่4ต่อไปถึงอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สที่4ต่อไปถึงขั้นดับสัญญาเวทนาต่อไปถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งสิ้นอสวะกิเลสทั้งหมด ก็เหมือนอย่างได้เข้าไปในที่ปลอดภัยโดยลําดับมารทําอะไรไม่ได้มารก็คิดเช่นเดียวกันว่าตนทําอะไรแก่ผู้ที่เข้าไปในที่ปลอดภัยเช่นนี้หาได้ไม่ในคัมภีร์ชั้นบาลีที่เล่ามานี้และที่เคยเล่ามาแล้วจากสั่งยุตเป็นต้นการเล่าเรื่องสวรรค์ชั้งดาวดิงจับได้ว่าเพื่อยกมาเปรียบเทียบหรือสาธุกขธรรมอย่างนิทานชาดกขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วที่เล่าเป็นเรื่องปัจจุบันก็มี แต่กระมุงแสดงธรรมเป็นประการสำคัญในคำพีชั้นหลังลงมาจึงเล่ามุ่งในทางประวัติพรนานาออกไปพิสดารสวรรค์หกชั้นมีมาในคำพีพระพุทธศาสนาแต่สองชั้นแรกจะเหมือนอย่างที่เล่าไว้นี่เพียงไรเป็นวิสัยของผู้มีทัศนายานจะทราบได้เทพชั้นจาตุมหาราชิกาเทพชั้นดาวดึงท่านว่ามีที่อยู่บนภูเขาบ้างในอากาศบ้างและมีที่อยู่สืบต่อกันไปจนถึงภูเขาจักรวาล ซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นขอบจักรวาลโดยรอบน่าจะเปรียบได้เหมือนอย่างขอบกระดง้งท่านว่าสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็ยุ่ซีบกันไปจนถึงภูเขาจักรวาลเช่นเดียวกันดูตามเขาความเชื่อของท่านว่าอยู่สูงตรงขึ้นไปจากยอดเขาสินเนรุหรือเขาสุมเมรุในอากาศมีเขตแผ่ออกไปจนถึงแนวภูเขาจักรวาลจึงมีเขตเป็นวงกลมตั้งอยู่ซ้อนกันขึ้นไปโดยลําดับท่านนึกให้เป็นวัตถุก็น่าจะคล้ายตึก หรือเก๋งจีนลหลายชั้นตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไปอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาสินเนรุขึ้นไปมากถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในเขตของจักรวานนี้เกิดดับพร้อมกับจักรวานนี้ทุกชั้นจึงต้องกำหนดเขตโดยรอบด้วยภูเขาจักรวาลถึงจะอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในเขตนี้สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่ายามาหรือยามะแปลว่าสิ้นไปจากทุกหรือ มลุทิพยสุพร้อมพระังอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือดาวดิ่งมากเทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่าสุยามะในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าในชั้นฟ้านี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์มากแต่เทพชั้นนี้เห็นกันได้ด้วยรัศมีแก้วและด้วยรัศมีเทพเองและจะรู้ว่ารุ่งหรือค่ำด้วยอาศัยดอกไม้ทิพย์คือไม่เห็นดอกไม้บานจึงรู้ว่ารุง่งไม่เห็นดอกไม้หุบ จึงรู้ว่าคั่มเทพชั้นยามาไม่ปรากฏว่าได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่มีเรื่องอะไรเล่าไว้สวรรค์ชันช้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่สชื่อว่าตุสิตาหรือตุสิตามักเรียกว่าชั้นดุสิตแปลว่ายินดีชื่นบานคือมีปิติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตนอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามามากเป็นทวีคูณเทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่า สันตุสิทท่านว่าพระโพธิสัตว์ผู้สร้างโพธิสัมภารที่จะมาลงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ย่อมสถิตยอยู่ในชั้นฟ้านี้เท่ในชั้นนี้เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรมเพราะพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนหนึ่งๆจะได้เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อดังกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียวท่านว่าความกุห่างขนานใหญ่ของพวกเทวราชทั้งปวงมีอยู่สามสมัยคือสมัยเมื่อโลกจะวินาท สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสมัยเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในบัดนี้ก่อนที่จะได้ลงมาเกิดในโลกนี้ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อการใกล้กำหนดที่จะจุติลงมาตรัสเทวดาทั้งปวงก็เกิดโกรหนพากันไปเฝ้าทูลอารัธนาพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไปตรัสพระโพธิสัตว์ได้ทรงตรวจดูสถานะห้าอย่างคือการหนึ่งทวีปหนึ่ง ประเทศหนึ่งตระกูลหนึ่งมารดาและกำหนดอายุหนึ่งการข้อที่หนึ่งคือการแห่งอายุของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีอายุมากเกินแสนปีขึ้นไปหรือต่ำกว่าร้อยปีลงมาก็ไม่ใช่การที่จะลงมาตรัสเพราะยุคสมัยที่มนุษย์อายุมากไปก็ม่อาจเห็นไตรลักษ์น้อยไปก็มีกิเล็นหนามากไม่อาจเห็ น, รรนธรร ม, ามแต่ในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุร้อยปีจึงเป็นการที่จะลงมาตรัสได้ทเวี ข้อที่สองคือทรงเห็นชมพูทวีปเหมาะที่จะลงมาตรัสประเทศข้อที่สคือทรงเห็นมัดจิมประเทศคือท้องถิ่นร่วมกลางชมพูทวีปบัดนี้อยู่ในอินเดียปากีสถานเป็นส่วนมากเลยเข้าไปในเนปาลบ้างเช่นสถานที่ประสูตรอยู่ในเนปาลเป็นที่เหมาะตระกูลข้อที่สทรงเห็นศักยราชตระกูลและพระเจ้าสุโธทนะจะเป็นพระบิดาได้พระมารดา ข้อที่หคือทรงเห็นพระนางสรีมหามายามีศีลและบารมีธรรมสมควรเป็นพระมารดาได้ทั้งจะมีพระชนซื้อไปจากเวลาที่พระโอรสประสูตเพียงเจวันสัตว์อื่นไม่อาจอาศัยค้าโพธรบังเกิดได้อีกครั้นพระโพธิสัตว์ ท, ทรงเห็นสถานะทั้งห้ามีครบปริบูรณ์แล้วจึงทรงรับอารัธนาของเทพทั้งปวงเหตุที่จะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้นเพราะได้เกิดบุพนิมิตห้าประการแก่พระองค์คือ 1. ่ทิพยะผุผาที่ประดับพระกายเหี่ยวแห้ง 2. ที่พิะยะูษาทรงมีสีเศร้าหมอง 3. พระเศโทไหลจากพ ร, กระกัจฉะหรือรักแร้ 4. พระสรีรกายปรากฏอาการชรา 5. มีพระหัตถยเป็นทุกเนื่องนายจากเทวโลกไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพยาอาธพวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่าเทพองค์นี้คือองค์พระสัมพันธ์โพธิสัตว เพราะถึงการจัจุติประจวบสมัยที่พระพุทธเจ้าจ้อุบัติและเมื่อพระโพธิสัตว์เทพทรงรับอารัธนาแล้วพวกเทพก็พากันแวดล้อมนําไปอย่างนันทวันแห่งสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเมื่อไปถึงสวนนันทวันแล้วพวกเทพก็นําเทพโพธิสัตว์ผู้จัจุติเที่ยวไปในนันทวันกล่กาวว่าจัุติจากที่นี้และก็ขอให้ไปจงดีเถิดและตักเตือนให้ระลึกถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่ได้ทําแล้วในการก่อน เทพโพิษัตวฟังคําเตือนของเทพผู้แวดล้อมก็ระลึกถึงกุศลกรรมไปในนันทวันก็จุติในขนาะนั้นลงมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุริมหามายาท่านว่าสวนนันทวันมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นเป็นที่เทพผู้จัดจุติไปเที่ยวชมและระลึกถึงความดีและก็จุติไปในสวนนันทวันนั้นเทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้จัดจุติไปกราวยพรตักเตือน ทำนองไปส่งในวาระสุดท้ายพระศรีอรยาเมตรายพู้นิสิตซึ่งมีกําหนดจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่ครบห้าในพัตตราการนี้ท่านว่าบัดนี้ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นบุสิธตนี้รอเวลาที่จะลงมาตรัสในอนาคตสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นห้าชื่อว่านิมมานารติไทยเราเรียกว่านิมมานารดีแปลว่าอภิรม์ยินดีในสิ่งที่นิรมิตขึ้น คือนอกจากที่พยารมที่ระทับอยู่โดยปกติแล้วในเวลาที่ปรารถนาต้องการสิ่งใดก็นิรมิตสิ่งนั้นขึ้นอภิรมยินดีได้เป็นส่วนอริเรกหรือเป็นพิเศษพูดง่ายๆว่าอยากได้สิ่งใดก็นึกเอาได้เกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นดั่งใจนึกแต่จะมีขอบเขตเพียงไรท่านหาได้แสดงไว้ไม่สวรรค์ชั้นนี้สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตมากเทพผู้เป็นราชาปกครองไม่ปรากฏว่ามีนามพิเศษ ก็น่าจะเรียกเป็นกลางๆว่านิมมานรดีเทวราชไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่าถึงในัำพีทั้งหลายเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตะวสวรตีสวรรค์ชั้นที่6ชื่อว่าประนิมมิตตะวสวรตีเสียงไทยว่าประนิมมิตตะวสวรตีแปลว่าทำำําอำนาจของตนให้เป็นไปในโภคาทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วเนรมิตให้ ผูที่มาคอยนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกไหนชั้นไหนคิดดูตามเขาความก็น่าจะเห็นว่าต้องการแสดงความสุขสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีผู้คอยนิรมิตสิ่งที่ใจปรารถนาให้ไม่ต้องนิรมิตเอาเองเหมือนอย่างชั้นที่ห้าแต่อีกนายหนึ่งคําว่าทําอํานาจให้เป็นไปดูมีความว่าแผ่อํานาจไปครอบงาสิ่งที่ผู้อื่นเขานิรมิตไว้คือใช้อํานาจไปครอบครองเหมือนอย่างคําว่าจักรวัติ หรือจกักรพัทแปลว่ายังจากให้เป็นไปคือใช้จากแผ่อำนาจไปครอบครองโลกในนี้ดูก็เหมาะกับเรื่องพญามารที่จะกล่าวต่อไปสวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนิมมานอ น, อนดีอีกมากท่านว่ามีเทพเป็นราชาผู้ปกครองอยู่สองฝ่ายคือเทวราชเรียกนามตามชื่อของสวรรค์ชั้นว่าประเนมมิตะวสวรตีเทวราชปกครองอยู่ฝ่ายหนึ่งพญามารเป็นเทวราชปกครองอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง เทวราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้จึงมีอยู่สององค์แบ่งเป็นสองกกเรียกนามว่าปรินิมิตตวสวรตีเทวราชเหมือนกันองค์หนึ่งไม่เป็นมารปกครองเทพที่ไม่เป็นมารด้วยกันแต่อีกองค์หนึ่งเป็นมารปกครองเทพที่เป็นมารด้วยกันฝ่ายที่ไม่เป็นมารไม่ค่อยมีเรื่องกล่าวถึงในคมภีรทั้งหลายส่วนฝ่ายที่เป็นมารนี้เรื่องกล่าวถึงอยู่มากองค์เทวราชเองเรียกโดยเฉพาะว่าปรินิมิตตวสวรตีมาราธิราช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 สังเกตตามที่ท่านเล่าว้ในคัมภีร์ทั้งหลายว่าเทวราชผู้เป็นมารนี้มีความกลัวเป็นข้อสําคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าตนจะเิ้นอํานาจครอบครองโลกไม่ประสงค์ให้ใครทั้งนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะเรียกว่าวิมุตติหรือโมคธรรมก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ประสงค์ให้ใครประสบความหลุดพ้นจากกองกิเลสเช่นตัณหาอุปาทานหรือราคะโทสะโมหะและหลุดพ้นจากกองทุกขมิเกิดแก่ตายเป็นต้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ประสงค์ให้ใครหลดพ้นไปจากโลกเป็นโล ก, กุตระที่แปลว่าเหนือโลกคือพ้นโลกนั่นเองเพราะเมื่อผู้ใดพ้นโลกหมายถึงว่ามีจิตใจพ้นกิเลสดังกล่าวผู้นั้นก็พ้นจากอำนาจของมารซึ่งมารจะใช้อำนาจให้เป็นไปในผู้นั้นอีกไม่ได้ความเป็น ส, ะ ว, ะสะวัสดิ์เทียบกับจกักรวรรของมารก็หมดสิ้นไปฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสแสวงหาโมกะธรรมทรงได้พบทาง ทรงดำเนินไปในทางจนถึงในราตีที่จะตรัสรู้ท่านเล่าว่าพญามารได้มาป้องกันรังควานอย่างสุดกำลังพระโพธิสัตว์ก็ทรงผจญสู้อย่างเต็มที่อย่างที่เรียกว่าเสียงบารมีพูดอย่างสามัญว่าสู้ตายไม่ยอมถอยเช่นทรงอธิษฐานพระหัไทยตั้งความเพียรแน่วแน่ ว, ว่าจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ประทับจนกว่าจะได้บรรลุผลแม้ว่าเนื้อเลือดทั้งหมดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามอาศัยพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงทรงชนะมารทรงบำเพ็ญเพยียรต่อไปจนได้ตรัสรู้แม้ต่อมาท่านก็เล่า ว, ว่ามารได้มาเกี่ยวข้องอีกมากครั้งแสดงว่ายังคอยติดตามหาช่องโอกาสอยู่เรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเวนยนักนิกกรให้พ้นอำนาจของตนมากขึ้นทุกทีจึงไม่ปรารถนาจะให้พระองค์ดำรงพระชนอยู่นานและในที่สุด ท่านก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารตามคำอารัธนาของมาร น, นั่นเองแต่ก็ทรงปรงในเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจสำเร็จตามที่ได้ส่งตั้งพระหัตไทไไว้แล้วพญามาราธิราชเป็นเจ้ากกหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นที่หก็จะต้องทําบุญไว้มากไม่เช่นนั้นก็จะไม่บังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนี้ได้แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าทําบุญเพียงเพื่อสวรรค์เท่านั้นก็ดูจะชอบกลอยู่ ท่านไม่กล่าวว่าพญามาได้มาขัดขวางใครที่ทําบุญเช่นทานศีลเป็นต้นเพื่อสวรรค์หรือที่เป็นภูมิเพียงเพื่อสวรรค์มาขัดขวางแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานเช่นพวกทํากรรมฐานเพื่อสิ้นกิเลสเรื่องของมารยังมีอีกมากแต่จะงดไว้ก่อนเป็นอันว่าสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็นสองกกเหมือนอย่างขาวกับดําและมีเจ้าครองอยู่สององค์องค์ที่ลงมาเกี่ยวข้องในประวัติพระพุทธศาสนามากก็คือ